เห็นหมอเขาบอกว่ามันจะระบาดอกีกสักสองเดือนโลวัดนะสองเดือนแล้วก็คนก็มีภูม่มต้านทานคนไหนจะติดก็คงติดไปแล้วที่เหลือมีภูม่มต้านทานเ <c oughs> มื่อวานไปเทศที่ซีพีที่อะไรเรียกเซเว่นเซเว่นเวเห็นตึกไม่โตนะคนไม่เป็นพันเลย ห้องเล็กห้องน้อยนะตามทางเดินตามห้องต่างๆคนก็ไปนั่งเต็มอยู่คนนี้คนหิวธรรมะก็ดีกว่าหิววธรรมสนใจธรรมะมันก็เข้าใจยากนิดนึงนต้องฟังต่อเนื่องช่วงหนึ่งถึงจเข้าใจถ้าฟังฉับช่วยนะมาฟังทีเดียวฟังยากยิ่งถ้าเคยติดสมถมะมัน ว่าจะเจริญสติได้ไม่ไมใช่ง่าย ก, การที่ติดสมถะก็คือจิตมันติดอารมณ์ติดอารมณ์นิ่งๆติดอารมณ์ซึมๆติดอารมณ์แข็งๆมีหลายแบบบางคนแข็งๆแล้วนะบางคนซึมนิ่งๆบางคนอ่อนๆไม่มีเรีวมีแ ร, รงน้อมใจไปจิตใจอย่างนั้นมันเจริญวิปัสสนาไม่ได้แข็งเกินไปก็ไม่เพียงเไว้ ไม่เห็นสภาวะที่เกิดดับมันนิ่งไปหมดเนะเพ่งกายกายก็นิ่งเพ่งจิตจิตก็นิ่ง mm hmm. พออ่อนไปก็ไม่มีแรงจะรู้อ่อนลรถวยละาโทษเราถวยนะเ่ม mm hmm. ออกมาอยู่กับโลกข้างนอกก็อย่างนี้ mm hmm. นักปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้กินหรอกใจไม่มีแรงนี่ถ้าเราไปติดแบบนี้มานะ mm hmm. ต้องใช้เวลา กว่าจะหลุดออกมาจากการเพ่งนะีกว่าจะหลุดจากการทำใจให้ครืบๆนึ่ต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะจิตนะีเป็นอนัตตาอยู่ๆสั่งให้มันเปลี่ยนแปลงตามใจชอบไม่ได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้เป็นอนัตตานะแต่ฝึกได้ฟังตรงนี้ฟังยากนิดนึงเหมือนอย่างเด็กเนี้ยเด็กเป็นอนัตตาใช่ไหมเด็กไม่ใช่ตัวเราสั่งตามใจชอบไม่ได้แต่ฝึกได้ ให้การเรียนรู้ได้จิตที่เคยฝึกให้ซึมให้สงบหรือให้เครียดเครียดแข็งแขงนะมันชินกับความสงบความเครียดเครียดแข็งแข็งอะไรอย่างนั้ไปกว่าจะเปลี่ยนความเคยชินได้ใช้เวลานี่ถ้าจิตไม่ไม่ไปติดสมถะนะแล้วก็ไม่เจ้าความคิดไม่เจ้าความเห็นนะก็จะเรียนง่ายอย่างเด็ก ทำไมเด็กมันเรียนกรรมฐานง่ายเด็กมันยังฝึกเพ่งวิทยายุทธยังไม่เข้มแข็งเท่าผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เพ่งมานานกว่าเด็กมันยังเพ่งไม่ค่อยจะเป็นแล้วเด็กเนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่จะยึดถือในความคิดความเห็นตัวเองรุนแรงไม่เหมือนผู้ใหญ่นะตามสถิติที่หลวงพ่อเห็นเนี่ยผู้ใหญ่ผู้ชายเนี่ยเซลจัดกว่าผู้ใหญ่ผู้หญิงแต่ผู้ใหญ่ผู้หญิงเนี่ยพูดมากกว่าผู้ใหญ่ผู้ชาย ไม่เหมือนกันนะผู้หญิงจะระบายออกด้วยการพูดแล้วสบายใจนะผู้ชายมันจะไปทางบ้าอำนาจมากเคลียดเครียดบังคับคนอื่นอนะไรเงี้ยเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเห็นเยอะเด็กมันไม่ได้เจ้าความคิดเจ้าความเห็นมันไม่ค่อยรู้อะไรเด็กก็ยังไม่มีพลังฝึกปรือของการเพ่งเด็กก็เรียนง่ายถ้าพวกเราสวมหัวใจเด็กนะ อย่าเอาแต่เพ่งเอาอย่ายึดถือในความคิดความเห็นมากเกินไปตามรู้กายอย่างที่เขาเป็นตามรู้จิตใจอย่างที่เขาเป็นเรื่อยๆทำตัวเป็นแค่นักเรียนเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเรื่อยๆไม่นานก็เห็นความจริงของกายของใจในเวลาหลวงพ่อเทศนะ์เทศเรื่องมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางเทศวนอยู่แค่นี้บางคนก็งงว่าทาไมเทศอะไรแค่นี้เอง ทำไมไม่สอนเหมือนที่ใครๆเขาสอนกันนะทาทานไว้ถือศีลไหมนะทำทานเท่านี้ได้ไปสวรรค์ชั้นนี้ทนระือทำแค่นี้ได้ไปตรงนี้อเงี้ยทำไมไม่สอนอย่างนั้นไอ้อย่างนั้นก็ดีเหมือนกันสอนให้ทำทานสอนให้ถือศีลก็ดีกว่าไม่ทำทานไม่ถือศีลนะแต่คุณงามความดีแบบนั้นมันเป็นคุณงามความดีที่จะวนเวียนอยู่กับโลก ก็จะได้พบผุมมที่ดีนะทําทานไปก็รวยขึ้นมามีคนรักใคร่นับถืออะไรเงี้ยแจกเขานะี่เขาก็ชอบสิวันไหนเลิกแจกเขาก็ไม่ชอบนะนะมีศีลไวจิตนะใจสงบสุขหน้าตาผ่องใสนะเกิดมาสวยวันไหนถือศีลดีๆเกิดมาสวยนะแล้วเกิดอีกอะ่ะเคยมีพระองค์หนึ่งมีตัวจริงนละยองค์เนี้ย พระงนี้เคยทำบุญกับพระปัจเจกกัะพุทธเจ้าก่อนๆทำบุญแล้วอธิษฐานนะขอให้รูปหลอ่อเกิดชาติไหนขอให้หล่อทุกชาติเลยปรากฏ ว, ว่าเกิดมาต่อมานะทั้งหลอ่อทั้งรวยเลยลเป็นชู้กับชาวบ้านชู้กับเมียชาวบ้านไม่ใช่ชู้กับตัวชาวบ้านนะชู้กับเมียเขาตกนรกอยู่นานนี่ทำบุญมาดี ท่บุญทาทานมาอยากได้รูปหลอ่อหลอ่อหลอจริ ง, รงๆรวยด้วยมีโอกาสทําช่วยเยอะต้นรกอยู่นานแสนนานนะขึ้นจากนารกขึ้นมามาเป็นเปรตเป็นอะไรเงี้ยขึ้นมาเป็นสัตวาาต์เดรัจฉานสุดท้ายมาเป็นบัวเป็นวัวทีไรนะรูปหล่อทุกทีเลยเป็นวัวก็เป็นวัวสวยกว่าวัวอื่นนเจ้าของจะพาไปไถหนานะวัวตัวเมียเนี่ยวิ่งตามตลอดเลยเจ้าของลาคาญ น, นะจับไปตอน ก็เลยถูกตอนมาเรื่อยๆนะหลายชาติเกิดมาเป็นคนนะก็เป็นขันธ์ทีหลายชาติตลังกรรมเบาบางลงก็มาเป็นพระอนุนคือตัวพระอนุนนั่นเองไม่ขนาดเป็นพระอรหันนะเป็นพระอรหันที่เป็นพระสาวกชั้นผู้ใหญ่เป็นเอตตทักคะตั้งหลายตาแหน่งก่อนจะดีอย่างนั้นก็เคยทําผิดมาแล้วพวกเราแต่ละคนทําผิดมาแล้วไม่เป็นไรนะ ทำผิดแล้วไม่ทำอีกก็เท่านั้นะนันอย่างการแค่ทำบุญทำทานรักษาศีลกระทั้งนั่งสมาธิเป็นความดีเพื่อจะวนเวียนอยู่กับโลกมันไม่ใช่ความดีในขั้นที่จะพ้นโลกดีเหมือนกันก็ดีกว่าไม่ทำยังประมาทไม่ได้นะพอรวยขึ้นมาพอสวยพอหล่อขึ้นมามีเงินมากมากมีอำนาจมากๆ โอกาสทาชั่วก็มากทําได้เยอะงั้นเป็นเสียงนะเสียงทําบุญทําทานแค่นั้นไม่พอหรอกที่จะปลอดภัยในสังสารวัตมีแต่เรื่องการเจริญสติอย่างนี้เยียเพืทําให้เราปลอดภัยได้จริงๆมีสติรู้กายมีสติรู้ใจนะตามรู้ตามดูไปเรื่อยเลยเช่นวันหนึ่งเห็นความจริงของกายของใจ มรรคายนี้ใจนี้เป็นของชั่วคราวไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรไม่มีอัตตาตัวตนที่ถาวรคําว่านัตานะตาเนี่ยแปลว่าไม่มีตัวตนที่ถาวร น, นะอย่างพวกเราภาวนาเรารู้สึกไหมบางทีมีตัวเราขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวจิตมันปลุงขึ้นมานะมันคิดขึ้นมาว่าเป็นเราจริงๆไม่มีทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยทุกอย่างอยู่ชั่วคราวหมดเลยเนี่ยถ้าภาวนาตามรู้กายไปตามรู้ใจไป จนเห็นความจริงของกายของใจว่ามันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเลยร่างกายก็ชั่วคราวนะเราลองนั่งไปนั่งรูปนั่งนะอยู่ได้ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเดี๋ยวก็ไปยืนยืนแล้วก็ไปเดินเดินแล้วก็กลับมายืนแล้วก็กลับมานั่งนั่งแล้วก็ลงไปนอนสมัยจะพลิกไปพลิกมาอย่างนี้นะมีเหมือนกันนะเดินเดินอยู่แล้วลงไปนอนหกล้มไป แต่๋ยวปกติมก็เคลื่อนไปตามลําดับของมันตามอิริยาบทถ้าเรามีสติตามดูเราก็จะเห็นเลยรูปนั่งรูปที่นั่งก็อยู่ชั่วคราวนะเดี๋ยวก็เป็นรูปที่ยืนรูปที่ยืนอยู่ชว่วคราวเดี๋ยวเป็นรูปที่เดินรูปที่เดินอยู่ชั่วคราวก็กลับมายืนยืนอยู่ชว่วคราวกลับมานั่งนั่งแล้วอาจจะยืนก็ได้หรืออาจจะนอนก็ได้คลิกไปพลิกมารูปแต่ละรูปไม่คงที่ หรือเรารู้การหายใจเราก็เห็นเลยร่างกายที่ห e mm. ายใจออกนะร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกเพราะอันหนึ่งร่างกายที่หายใจเข้าเพก็อันหนึ่งเหมือนชีวิตคนละชีวิตกันเหมือนดูการ์ตูนนะเปลี่ยนเป็นช็อตๆไปเรื่อยหายใจออกอันหนึ่งหายใจเข้าอันหนึ่งไม่ใช่อันเดิมหรอกค่อยดูไปจนเห็นนะมีโกละันมันเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆไม่มีตัวตนถาวรในร่างกายนี้ร่างกายดูง่าย ไม่ใช่ชาพุทก็ดูได้ว่าร่างกายไม่ใช่เรานี้มาถึงจิตใจให้เรามีสติรู้ทันจิตใจเรื่อยๆเราจะเห็นในจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหงิดเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวสมหวังเดี๋ยวก็ผิดหวังอะไรเราตามดูไปเรื่อยเราเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลย ดูมากๆเนะียปัญญามันเกิดมันเห็นในจิตมันไม่เที่ยงหรมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสภาวะอันใดอันหนึ่งเนี่ยทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นตลอดเวลาอย่างความสุขเกิดขึ้นนะความสุขก็ถูกบีบคั้นอยู่ไม่ได้นานเดี๋ยวความสุขก็สลายไปความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ก็ถูกบีบคั้นความทุกข์ทนอยู่ไม่ได้นานก็สลายไปใดนะ้เฝ้ารู้นะทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไป สุขก็ช่วคราวทุกข์ก็ช่วคราวกุศลอกุศลก็ช่วคราวเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยตัวจิตเองที่เป็นตัวรู้ก็ช่วคราวประเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดประเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงประเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เพ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเวลารู้ก็มีรู้แบบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานประเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้แบบหลงหลงไม่รู้ เห็นหลงไปดูทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็หลงไปรู้นะที่ก็รู้ขึ้นมาเรืรู้รู้ว่ารู้อยู่มีแต่เกิดแล้วดับทั้งหมดเลยจิตใจนะั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าพวกเราตามดูบ่อยๆนะเราจะพบความอัศจรรย์ของธรรมะทาไมทํางานแค่เนี้ยตามดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตเท่าเนี้ยจิตใจเราเกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับพลันนะ ใช้เวลาไม่นานคนเคยทุกข์มากๆก็เหลือน้อยๆนะเคยทุกข์นานๆก็ทุกข์สั้นลงความทุกข์มันค่อยๆหายไปนะแค่มีสติครยดูความเปลี่ยนแปลงนะเป็นเรื่องแปลกถ้ามองแต่ผลมันก็ถือว่าแปลกนะันถ้ามองว่ามันมีเหตุมีผลยังไงมีกระบวนการยังไงก็ไม่แปลกความทุกข์ทางใจมันเกิดจากใจมันดิ้นรน ใจมันปรุงแต่งใจมันดิ้นรนเพราะมันอยากมันหิวจิตนั้นมันหิวอารมณ์ตลอดเวลามันอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสดีๆทางกายอยากหนีการกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ไม่ดีอะไรงี้มีความอยากอยากคิดอยากลึกอยากปฏิบัตินั่งคิดไปเรื่อยก็อยากรู้อยากรู้เกิดความสงสัยอยากรู้ว่าธรรมะเป็นยังไง ใ, ใจมันมีความอยากตลอดเวลานะความอยากมันก็บีบคั้นทำให้จิตเนี่ยดิ้นรนไม่เลิกเมื่อจิตดิน้นรนนะจิตจะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ม, น truth, มันถูกบีบคั้นมันดินน้นรนมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเรามีสตินะรู้ทันความอยากเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันความบีบคั้นความปรุงแต่งเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันไม่ได้ไปทำอะไรมันนะเพียงแต่เราไม่ทำมันอีก ทีแรกเรามีตัณหาเราก็ไปบีบคั้นจิตใจตัวเองพอเรามีสติขึ้นมาตัณหาดับไปมันก็ไม่ได้ไปบีบคั้นจิตใจนะจิตใจก็มีความสงบมีความสุขอยู่โดยตัวของมันเองเพราะตัวจิตนั้นโดยตัวของมันเองพองใสมันเศร้าหมองมันเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะเพราะว่าเราเข้าไปแทรกแซงไปบีบไปคั้นมันด้วยความอยากเราไม่ได้ไปบีบไปคั้นมันด้วยความอยากแล้วตัวมันก็สบายโดยตัวของมันเองไม่ใช่เราทําจิตให้ดีนะ แต่เราไม่ได้ไปกอบกวนจิตจิตมันก็เลยมีความสุขของมันอยู่นี่นเราค่อยดูค่อยๆฝึกไปแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงในโลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่มีใครเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดไปไม่มีสิ่งใดเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดไปบางคนคิดว่ามีเงินมีทองเป็นที่พึ่งนะเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงหรอกวันดีคืนดีแบงก์ก็ล้มอย่างเงี้ยสเอาเงินไปฝากธนาคารแบง์อาจจะเจ๊งก็ได้ ไปซื้อทองมาใส่ตุ่มมว้อาจจะโดนปล้นก็ได้มันมีแต่ความไม่แน่นอนจะเอาทรัพย์สมบัติมาเป็นหลักประกันความแน่นอนของชีวิตก็ไม่ได้บางทีทรัพย์สมบัติยังไม่ทันสูญเสียเลยชีวิตสูญเสียซะก่อนก็ยังไม่แน่นอนอีกอยู่ๆก็เป็นไข้หวัดประหลาดๆอะไรขึ้นมานชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจะเอาตำแหน่งหน้าที่มาเป็นเครื่องประกันความมั่นคงของชีวิตเป็นได้จริงไหม ก็ไม่ได้จริงนะมีท่านผู้หนึ่งท่านเป็นจอมพลนะมีอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีสุดท้ายท่านก็ตายขาเก้าอี้ตำแหน่งหน้าที่นั้นไม่ได้เป็นหลักประกันว่าท่านจะไม่ทุกข์ะนั้นมันไม่มีอะไรเลยที่เป็นที่พึ่งได้หรือจะเอาคนอื่นมาเป็นที่พึ่งตอนเด็กๆ ก, ก็เอาพ่อแม่มาเป็นที่พึ่งจะพึ่งได้สักเท่าไหร่วันหนึ่งก็พึ่งไม่ได้พ่อแม่เองก็ต้องมาพึ่งเราอีก หรือจะเอาลูกมาเป็นที่พึ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยฝันลมลมแรงๆแลนะ้วเอาลูกมาเป็นที่พึ่งเนะี่ยเพราะฉะนั้นต้องพยายามพึ่งตัวเองให้ได้นะทางร่างกายก็หาทางทําไงจะอยู่เราได้ต่อไปข้างหน้าบ้านเมืองจะเต็มไปด้วยคนแก่เด็กมันเลี้ยงคนแก่ไม่ไหวแนละ้วคนแก่จะอยู่ยังไงคนแก่จะดูแลกันเองได้ยังไงนะแก่น้อยดูแลแก่มากได้ไหมอนะไรอย่างเงี้ยคงต้องดูกันอย่างนั้นแหละนะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งไม่ได้สักอย่างในโลกนี้ เมื่อวานเจอคนหนึ่งนะรู้จักกันนานแกขยนันขยันท ร, รมาหากินเงินเดือนก็เยอะนะชอบทำบุญทำทานอะไรเงี้ยบอกว่าโอ้ยมสบายแล้วสิตอนนี้ลูกเรียนจบแนละ้วลูกจบชั้นไหนแล้วลนะ่ะบอกจบปริญญาโทแล้วทำงานอยู่แบงค์ด้วยบอกโอ้สบายแล้วสิบอกไม่สบายเลยทุกอาทิตย์นั้นต้องส่ง ค่าผ่อนรถให้มันที่ละสามพันห้านี่มีลูกเป็นที่พึ่งงั้นอยจะไปฝันลมๆแรงๆนะพยายามทำไงเราจะอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองแล้วในทางร่างกายส่วนทางจิตใจนี่สำคัญมากเลยบางคนมีเงินมากนะมีลูกหลานแวดล้อมแต่จิตใจไม่มีความสุขเลยทำไมชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์เครียดตลอดเวลางุดนงิด เคยเห็นคนแก่ขี้โมโหไหมหุนหงิดไปทุกเรื่องนะลูกหลานไม่มาหาก็โมโหนะลูกหลานมาก็ด่ามันอีกเพราะว่ายังไม่หายโมโหสุดท้ายมันไม่มาอีกก็ด่ามันอีกนะอารมณ์เสียตลอดเวลาเลยแล้วอะไรเป็นหลักประกันว่าจะมีความสุขได้ไม่มีอาศัยแต่ธรรมะนี่แหละจะอยู่กับเราไปจนวันตายตายแล้วก็ธรรมะก็ไม่ได้ทิ้งเราอีกนะ ถ้าใจเราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตายแล้วทรมากก็พาเราไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นหรือถ้าเราภาวนาได้สุดขีดล้วก็ไม่ไปสู่ภพภูมิใดๆอีกไม่ไปตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ไปหลังจากตายแล้วนะจิตของเรานี่แหละเที่ยวเสเวยพบตลอดเวลาดวออกไหมเปลี่ยนพบตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นมนุษย์ที่ดีมีศีลมีธรรมเดี๋ยวก็สงบเพื่อมาเป็นพรหมเดี๋ยวก็เป็นคนดี มีฮิริมีโอตปะเนี่ยเป็นเทวดาแต่เดี๋ยวก็ขาดฮิริขาดโอตปะและ้วโมโหขึ้นมานะก็เป็นสัตว์นรกเนี่ยโลภพึ้นมาก็เป็นเปรตร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตใจหิวโหวยแล้ว น, นเวียนอยู่อย่างหรือเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองมากเซลจัดพวกเซลจัดเนี่ยเป็นภพของอสุรกาย สุรกายยึดถือแต่ความเห็นของกูแล้วกูเก่งอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นไม่เก่งแล้วนี่คอเจ้าทิฏฐิเจ้าทิฏฐิเป็นสุรกายเนี่ยสัตว์ในพวภูมิต่างๆนะทั้งในอบายภูมิหรือในสุขติภูมิเราเป็นมาแล้วทั้งนั้นนะจิตของเราเวียนอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราเวียนขึ้นเวียนลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวจิตโลภขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็เป็นเปรตเมื่อนั้นนะนะจิตมีศีลมีธรรมขึ้นมาก็เป็นมนุษย์ะ จิตมีความละอายบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปนะก็เป็นเทวดานะจิตใจมีความเมตตาการุณาให้มาก็เป็นลมนะจิตใจมีความโลภเป็นเปรตจิตใจยึดถือในความคิดความเห็นนะก็เป็นอสุรกายจิตหลงจิตเผลอจิตเมอจิตไม่มีสติก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนะวันวันหนึ่งเราก็เป็นหลายภูมินั้น มนุษย์เนี่ยร่างกายที่เป็นมนุษย์นะแต่จิตเนี่ยวนเวียนอยู่ในภูมิต่างๆตลอดเวลาเลยอย่างเป็นภูมิเปรตนะเรียกเป็นมนุษย์สเปโตมนุษย์เปรตตัวเป็นมนุษย์แใจใจเป็นเปรตบางตัวก็เป็นมนุษย์ติระฉาโอตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเดรฉานมนุษย์นิราโยตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์นรกมนุษย์มนุษย์ตัวเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์มีศีลห้ามนุษย์สเทโว ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาเป็นภพดังนั้นใจเรานี่แหละเปลี่ยนภพอยู่ตลอดเวลาหมุนไปเรื่อยๆในภพน้อยภพใหญ่ตลอดเวลาไม่ถูกบ้างหรือไงถ้าไม่มีสติอยู่ไม่ทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์มองไม่เห็นว่าทุกข์เช่นกลุ้มใจเรื่องนี้อกหักแล้วก็ไปเที่ยวกินเหล้าเพลินๆไปเห็นไหมเปลี่ยนจากอกหักอกหักเป็นภูมอะไรตอบได้ไหมอกหักเป็นภูมอะไร สัตว์นรกอกหักมีความสุขไหมนะอกหักตกนรกทั้งเป็นนะนี่ไปกินเหล้าให้เพลินเลนเปล็ น, เป น, เปนภูมิอะไรเดรฉ า, านนะเอีนเป็นภูมิเดรฉ า, านใช่ไหมให้มันลืมตัวขาดสติไปก็เลยหลุดจากภพนรกไปอยู่พบเดรฉ า, านแทนอย่างเงี้ยหรืออกหกักแล้วไปมุดโบตนะกลุ้มใจมากเลยเศรษฐกิจไม่ดีนะ เอาเงินไปให้พระแล้วก็ขอไปมุดใต้โบสถนะ์เป็นภูมิอะไรไม่ประกอบด้วยสติไม่ประกอบด้วย ป, ปัญญานะไม่ได้แก้ปัญหาจริงนะแต่ก็ดีกว่าไปมุดที่อื่นเนาะเง <c oughs> ื่อใจเรานักเวียนไปในภพภูมิ ต, ต่างๆตลอดเวลาถ้าเราไม่มีสติรู้ลงไปนะเราจะไม่เห็นทุกข์จริงอกมันเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆอารมณ์อย่างนี้เบื่อขึ้นมาก็ไปหาอารมณ์ใหม่ก็รู้สึกว่าชีวิตไม่ทุกข์เท่าไหร่ เช่นมีภรรยาอยู่กันมาหลายปีนะาหน้าตามันทําไมเหมือนโบราณวัตถุอย่างนั้นสู้โบราณวัตถุไม่ได้ตรงโบราณวัตถุมันขายได้ภรรยาเนี่ยดูๆแล้วขายไม่ออกแล้วอยู่มาหลายปีนะตีนกาเปลี่ยนเป็นตีนควายแล้วเนี่ยรู้สึกทุกข์นะเห็นหน้าทุกวันแล้วเอื่อมละอาทุกข์ก็ไปมีอีหนูเห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ก็รู้สึกโลกนี้สดใสเห็นไหม กลไปรู้สึกใหม่แล้วว่าโลกนี้สดใสจิตมันเปลี่ยนอารมณ์ไปงั้นถ้าเราไม่แค่หนีอารมณ์ไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะเรามามีสติใครรู้ทันใจมันใจมันสุขขึ้นมาก็รู้เฝ้ารู้ไปเรื่อยเราเห็นเลยความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปใจมันทุกข์ขึ้นมาก็รู้ก็เห็นอีกนะมันทุกข์ชั่วคราวแล้วก็หายไปมันโลภมันโกรธมันหลงมันฟุ้งซ่านมันหดหูมันดีใจมันเสียใจ มันอิดชา้ามันกลัวมันกังวลนะสารพัดนะล้วนแต่ผ่านมาผ่านไปเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยจิตนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงดูไปเรื่อยๆนะเห็นแต่เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยบางทีหัวใจมันเอื่มระอานะรู้สึกมันทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ยเกิดทีไรเป็นทุกทุกทีพบเล็กพบน้อยก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ยถ้าไม่ภาวนามไม่เห็นหรอก ทีพระพุทธเจ้าสอนบอกพบทั้งหมดเลยเป็นทุกข์เราไม่เห็นหรอกเราก็จะหลอกตัวเองนะเวลาทุกข์ขึ้นมาเราก็หนีทุกข์ไปชั่วคราวแล้วก็รู้สึกพบนี้มีความสุขสัตว์ทั้งหลายติดใจในพบของตัวเองเป็นเรื่องแปลกนะสัตว์ส่วนใหญ่เนะี่มันจะติดใจอยู่ในพบของตัวเองอย่างถ้าพวกเราสูญตายไปพลาดพลั้งไปเป็นหมาเกิดเป็นหมาระลึกชาติได้นะเราจะกลุ้มใจมากเลย พอเป็นหมานานๆลืมเคยเป็นมนุษย์ลืมไปแล้วะพอเป็นหมาโตขึ้นมาเป็นหมาวัยรุ่นหนึ่งชักลืมคราวนี้สนุกกับการเป็นหมาแล้วพอจะต้องตายจากความเป็นหมาเสียดายอีกนะอยากเป็นหมาอีกอย่างพวกเราทำไมอยากเป็นคนอีกนเป็นคนแล้วเป็นคนอีกอยากเป็นคนอีกพราเราติดในภพทั้งๆที่ภพนี้มีความทุกข์แต่เราไม่เคยเห็นว่ามันทุกข์ นั้นอาศัยการเจริญสตินะเราจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจิตเนี่ยวนเวียนไปสู่พบน้อยพบใหญ่ใดๆทั้งสิ้นันก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเล ย, ยงั้นเป็นเทวดาสมมุติว่าพวกเราเปียแชร์ได้จิตใจเราเบิกบานมีความสุขนะรีบคิดเลยวันนี้เปียแชร์ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะหาของไปใส่บาตรซะหน่อยนะแล้วจะได้ไปซื้อหวยต่อเพื่อ <c oughs> เพื่อบุญจะส่งผลอะไรเงี้ยใจก็โล่งๆไปนะคิดว่ามีความสุขนะ พอถึงปลายเดือนต้องไปส่งแชร์ใช่ไหมตกนรกทั้งเป็นแล้วเพราะว่าเอาสวรรค์ไปใช้หมดแล้ว <c oughs> ใจมันวนนะวนวนว น, นไปเรื่อยวนไปในพบน้อยพบใหญ่เรืนะ่อยๆเนอะหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยอาศัยมีสติตามดูไปพบทั้งหมดเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยพบเล็กพบน้อยเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยกระทั่งพบผ่องผลถ้าเราภาวนาจนถึงวันนึงเป็นพระอนาคามีนะจิตจะทรงอยู่ในพบผ่องผลมเนี่ย โดยธรรมชาติเลยเพราะจิตไม่หลงไปในกามร่างกายยังอยู่ในกามาวัจจรัรอยู่ในภูมิมนุษย์ร่างกายยังอยู่ในภูมิมนุษย์แต่จิตเป็นผลมเนี่ยพะจิตเป็นผลมนะมีความสุขมีความสงบมีเวกภายในอยู่ยากนะที่จะเห็นว่าภพขอผงผลมก็เป็นทุกข์ยากมากเลยเพราะฉะนั้นภาวนามาส่วนใหญ่ภาวนามาพอมาถึงพระนาคาเนี่ยมาติดแป๊กอยู่ตรงเนี้ยเป็นส่วนมากเลย ในตำราพี่ทํมถึงขนาดสอนว่าในยุคของเรานี่นะในปีพศออ น, นี้ไม่มีพระอาหารหันต์แหละมีแต่พระอนาคาถ้าตำราตีอย่างรีจิตนะก็ไม่มีพระอาหารหันต์มีแต่พระอนาคาแต่ถ้าเรามองในแง่ของจิตใจจริงๆนะโอกาสที่คนจะบรรลุพระอาหารหันต์ในยุคนี้ในสมัยนี้ น, น้อยเต็มทีแล้วยากเต็มทีเพราะภาวนานะพอมาถึงขั้นพระอนาคาเนี่ยจิตใจมีความสุข มีความสุขมีความสงบมีความวิเวกมีความสบายไม่เหมือนคนสมัยพุทธกาลนะเขาทําฌานมาจนเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นจิตเขาสงบมาจนเป็นปกติเขาดูไปดูไปมีสติปัญญาให้มาเห็นว่ายังยึดถือไม่ได้ยังสงบได้ก็ฟุ้งซ่านได้เขาก็ปล่อยยุค ข, ของเรานี่เต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านนะพอมันสงบขึ้นมาห น, หน่อยหนึงแล้วเรรู้สึกว่าดีละปลอดภัยและ้ะติดเนี่ยเป็นพราะองผลถึงก็มีความสุข ก็รู้สึกเที่ยงรู้สึกสุขรู้สึกบังคับได้กูเก่งอาศัยสติอาศัยปัญญานะเรียนรู้ลงไปก็จะเห็นว่ากระทั่งภพของพรหมก็ไม่คงที่นะแขวนขึ้นแขวนลงเดี๋ยวก็เป็นหยาบเดี๋ยวก็ละเอียดยังมีเสื่อมเสื่อมได้หมองมองได้จิตไม่ได้สว่างปิ้งร้อยเปอร์ซนตลอดเวลาบางเวลาโมหะจรเข้ามาเหมือนกันมีนะไม่ใช่ไม่มี คนที่ล้างโมหะได้คือพระอรหันต์เท่านั้นขนาดพระอนาคายังมีโมหะจอนเข้ามาเลยไม่มีราคาไม่มีโทสะแต่โมหะยังมีนะภาวนาไปยังเห็นโอ้จิตมองได้จิตมัวได้จิตนี้ไม่เที่ยงนะตัวรู้นี้ไม่เที่ยงจริงหรอกนภาวนานาะยากมากเลยที่จะเห็นตรงนี้วันใดเห็นขึ้นมานะจิตก็พ้นตรงนี้ไปไม่ยึดถือกระทั่งพบของผ่ม ไม่ยึดถือกระทั่งตัวจิตผู้รูนะ้ปล่อยทิ้งคืนให้โลกไปนะถึงจะข้ามภพความชาได้จริงไมมันมันมีโอกาสติดสูงมากเลยคนทั่วๆไปก็วนเวียนอยู่ในภพโดยไม่เห็นทุกข์เห็นโทษนะผู้ปฏิบัติพานาไปเห็นทุกข์เห็นโทษของภพที่หยาบพอมาถึงภพที่ละเอียดก็รู้สึกว่าดีขึ้นมาอีกแล้วนะต้องอดทนค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะถ้าจะเรียนรู้แค่จะอยู่กับโลกยังมีความสุขนะ ดูจิตดูใจในชีวิตประจําวันให้เหลือเฟือแล้วนะชีวิตใจิตใจมีความสุขล้นเหลือแล้วแต่ถ้าอยากพ้นโลกจริงๆนะต้องมีสิ่งอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาตั้งใจรักษาศีลห้าไวน้นะศีลห้าจำเป็นมากเลยถ้าจะไปมรรคผลนิพพานไม่มีศีลห้าอย่ามาโม้เลยไปไม่รอดหรอกใจฟุ้งซ่านงั้นตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนแล้วก็ลงมือปฏิบัติในรูปแบบด้วย จเจริญสติในชีวิตประจําวันเป็นของดีที่สุดถูกต้องจเจริญวิปัสนาทําในชีวิตประจําวันดีที่สุดแล้วแต่แค่นั้นบางทีไม่ไหวไม่มีกําลังพอต้องทําในรูปแบบนะทําสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างทําสมถะบ้างทําในรูปแบบเนี่ยทำได้สองแบบบางทีก็ทําสมถะบางทีก็จเจริญวิปัสนาในรูปแบบเช่นเราหายใจไปเรื่อยๆนะวันไหนจิตใจมันฟุ้งซ่านเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้ามาก จิตจับเข้ากับลมนะพักผ่อนอยู่กับลมมีความสุขเนะนี่ยทาสมถะวันไหนที่มีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ไม่ขี้เกียจขี้คลานเอาแต่ความสุขนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปเห็นร่างกายมันหายใจไปร่างกายที่หายใจนี่เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตใจมันทํางานไปหายใจไปแป๊บหนีไปคิดเรื่องโน้นหายใจไปวิ่งมาเพ่งอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยรู้ทันจิตใจไปเพราอนเวลาที่เราปฏิบัติในรูปแบบก็เลยมีสองอย่างนะ ทั้งสมถะทั้งมีปั ส, สนาพลิกไปพลิกมาซ้อมมีปั ส, สนาในขณะที่ทําในรูปแบบเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นสภาวะได้ชัดมากกว่าตอนที่อยู่ในโลกข้างนอกนี้อย่างเรานั่งดูเราเห็นจิตมันทํางานดูสบายนะอย่าถลําลงไปดูดูสบายหเห็นมันทํางานไปได้มันจะเห็นได้ละเอียดได้ประณีตกว่าตอนที่อยู่ในโลกข้างนอกนี้ความรู้ความเห็นใดๆที่เกิดขึ้นในขณะทําสมาธิอยู่เป็นความรู้ความเห็นที่ชัดเจนแจ่มใสนะชัด ชัดกว่าความรู้ความเห็นที่อยู่กับโลกข้างนอกอย่างนี้แต่ว่าจะทําสมาธิอยู่ตลอดชีวิตไม่ได้ใช่ไหมถึงเวลาออกมาอยู่ข้างนอกนี้ชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่กับโลกข้างนอกนี้เราไม่เจริญสติในชีวิตประจําวั น, นเมื่อเราภาวนาอย่างนี้นะถือศีลไว้ปฏิบัติในรูปแบบไปทําสมถะเมื่อควรทําทํำวิปัสสนาเมื่อควรทําหมดเวลาแล้วมาเจริญสติในชีวิตประจำวันยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวนะ จิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็ค่อยตามรู้ตามดูเรื่อยๆไปอย่างนี้ถึงยังมีโอกาสได้มากได้ผลนะนอนกระดิกตีนกินเหล้าเมายาไปเรื่อยๆนะแล้วก็นานๆมาดูจิตสักแว บ, บหนึ่งหวังว่าจะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นหรอกไม่นานเขาก็เอาไปเผาแบบหมูหันนะสุดท้ายเผาอะไปทันข้าวนิ่หมดเลยครับ